บทที่16เด็กฝาแฝดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วจเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงจึงออกบิณฑบาตตามปกติโดยมีเด็กชายสำริดหิ้วบินโตเดินตามมาสองปีแล้วที่ท่านไม่ได้พายเรือไปโปรดสัตว์ทั้งนี้เพราะพวกชาวบ้านได้ช่วยกันทำถนนมาเข้าทางหลังวัด พอมีถนนผู้คนจึงหันมาใช้รถมากกว่าเรือหลังวัดจึงกลายเป็นทางเข้าออกแทนหน้าวัดครั้นนานเข้าคนก็เลยเรียกหน้าวัดเป็นหลังวัดหลังวัดเลยเป็นหน้าวัดไปโดยปริยายเมื่อภิกษุวัย30สเศษเดินออกจากประตูวัดมาได้ยินเสียงร้องอุแวะอุแวะอยู่ใกล้ๆขั้นกวาดสายตาไปรอบๆ เพื่อหาที่มาของเสียงและเห็นเบาเก่าๆใบหนึ่งวางอยู่ข้างทางเดินในเบามีทารกแกกเกิดอยู่สองคนถูกห่อ ด, ด้วยผ้าคนหนูทั้งตัวเปิดเฉพาะใบหน้าน้อยๆไว้สำหรับหายใจท่านั่งลงแล้วคลี่ผ้าที่หอ่อทารกออกจึงได้รู้ว่าเพศชายสงสัยคนเอาลูกมาทิ้งหน้าหลวงนา เด็กชายสมฤทธิ์ซึ่งเดินมาทันพอดีออกความเห็นข้าก็ว่าอย่างนั้นฝาแฝดเสียด้วยใครน่าใจร้ายเอาลูกมาทิ้งได้ลงคอโถน่าสงสารเด็กชายพูดนึกรักเจ้าฝาแฝดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเอ็งว่าข้าควรจะทำอย่างไรดีท่านถาม อยากรู้ว่าเด็กชายคิดอย่างไรต้องเอาไปให้แม่ชีเลี้ยงหลงนา้าเป็นผู้ชายไม่มีนมให้มันกินเป็นความคิดของเด็กชายอายุก้าขวบจะดีเลอร์เกิดใครเขาไม่รู้จะหาว่าชีมีลูกกับพระท่านมองเห็นความยุ่งยากที่จะตามมา เพิ่งถูกเจ้าคณะอำเภอสอบสวนไปยกยกในข้อหามีใจฝักใฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์เพียงเพราะไม่ยอมให้ตำรวจปลดรูปอาจารย์ลงบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแทนหลวงพี่บูญสงครามนายกคนใหม่ท่านเกลียดคอมมิวนิสต์และก็มีนโยบายที่จะปราบปรามเสียให้ราบคาบขณะเดียวกัน ก็เกิดระแวงว่าคนไทยจะเอาใจไปฝักไฟในลัทธิที่ว่านี้จึงต้องกวดขันกระนั้นก็ปรากฏว่ามีผู้ถูกจับกลุมและถูกสอบสวนอยู่เนืองๆไม่มีละเว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าลุงนะ้ายอมให้คนเข้าว่าเธอครับไม่งั้นไอ้สองตัวเนี่ยตายแงแก่อยู่ที่เนี่ยแน่นอน เขาช่วยหลวงนาตัดสินใจตกลงข้าจะยอมให้เขาว่าเพื่อแลกกับชีวิตเจ้าตัวน้อ ย, อยสองคนเนี่ยถ้าข้าไม่ช่วยมันต้องม้วยมอนแน่ๆเอาละเอ็งอุ้มบาดนะส่วนข้าจะอุ้มเด็กแล้วไปสำนักชี้ด้วยกันท่านส่งบาดให้เด็กชายสำริด แล้วจึงช้อนเบาะขึ้นมาอุ้มอย่างระมัดระวังด้วยกลัวเด็กฝาแฝดจะ ก, กระทบกระเทือนถ้ารกน้อยหยุดร้องเหมือนจะรู้ว่าชีวิตปลอดภัยในอ้อมแขนของสมณะรอดตายแล้วท่านสมพานไปเอาเด็กสองคนนี้มาจากไหนจ๊ะแม่ชีเจียนถามเมื่อพระเจริญวางเบาะลงบนพื้นข้างหัวบันได ไม่รู้ใครก็เอามาทิ้งไว้หลังวัดอาตมากับเจ้าสมริดไปเห็นข้าวก็เลยอุ้มมาที่นี่เห็นจะต้องฝากแม่ชีเลี้ยงไว้เอาบุญท่านตอบผมบอกหลวงน้าเองว่าให้เอามาฝากแม่ชีเพราะหลวงน้าเป็นผู้ชายไม่มีนมให้มันกินป้าชีเอานมให้มันกินด้วยนะเด็กชายบอก ถ้าแก่แล้วไม่มีนมให้มันกินหรอกแต่ก็เอาเถอะให้มันกินนมกระป๋องก็ได้หรือท่านสมพานว่าอย่างไรนางถามความเห็นสมภานก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนึกว่าเวทนามันนะแม่ชีนะลูกใครก็ไม่รู้สงสยัยไม่ใช่คนแถวนี้หรอกฉันก็ว่าอย่างนั้น เป็นคนที่อื่นไม่ใช่คนแถวนี้แน่ฮมนุษย์เรามันแย่ลงไปทุกวันทุกวันนะท่านสมพานลูกในไส้แทๆ้ๆยังเอามาทิ้งได้ลงคอแม่ชีเจียนบนเขาอาจมีความจำเป็นก็ได้อย่าไปว่าเขาเลยเอาละอาตมาจะออกไปบินทบาตละฝากด้วยนะไปกันเถอะสัมฤทธ ท่านบอกลูกศิษย์แล้วภิกษุหนึ่งรูปกับเด็กชายคนหนึ่งก็พากันเดินออกไปทางประตูหลังวัดซึ่งกลายเป็นหน้าวัดไปแล้วนับตั้งแต่เก็บทารกฝาแฝดได้และนำมาให้แม่ชีช่วยเลี้ยงไว้ที่สำนักชี ความยุ่งยากติดตามมาดังที่พระเจริญคาดการไว้ทั้งนี้ว่าเพราะคนที่ใจลามกสกปรกพากันเอาไปพูดว่าสมภารวัดป่ามะม่วงแอบไปมีลูกกับศีกาแล้วก็นำมาให้แม่ชีเลี้ยงโชคยังดีที่วัดนี้ไม่มีชีสาวๆมิฉนั้นสมภารคงถูกกล่าวหาว่ามีลูกกับชี บรรดาสิษยานุสิ์ผู้ซึ่งมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอย่างสม่ำเสมอต่างพากันสงสารสมพานที่ถูกคนทุศีนคอรหานินทาในขณะเดียวกันก็ได้เห็นคุณธรรมในตัวท่านมากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากจะไม่โต้อตอบหรือแก้ข้อกล่าวหาแล้วท่านยังบอกโยมให้ช่วยกันแผ่เมตตาไปยังคนเหล่านั้นอีกด้วย ท่านสมภานอิฉันไม่เข้าใจเลยว่าทาไมคนเราถึงมีจิตใจคิดร้ายต่อพระสงฆ์องค์เจ้าอิฉันเห็นท่านสมพานทำแต่ความดีถึงกระนั้นก็ยังถูกคนใส่ร้ายป้ายสีพวกเขาช่างไม่กลัวบาปกันบ้างเลยนางโถพูดอย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจท่านสมพานช่นางก็เถอยมเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา เราสิทธาคตต้องรู้จักวางตนเมื่อถูกคนเข้าติเตียนหรือว่าสารรเสริญรู้ไหมพระองค์ตรัสสอนในเรื่องนี้ว่าอย่างไรท่านถามอุบาสิกาไวเดียวกับโยมมานดาไม่ทราบจ้ะท่านสมพานช่วยบอกอีชั้นด้วยเถอดจ้ะเอาละงั้นก็ตั้งใจฟังโยมแต้มก็ฟังด้วยนะท่านบอกนางแต้ม ซึ่งนั่งติดกับนางโถ ổ. ท่านสมพานลําเอียงให้ฟังแต่โยมผู้หญิงพวกผมก็อยากฟังเหมือนกันนะครับโยมผู้ชายคนหนึ่งกระเซ้าสมพานอ๋ออย่างนั้นรึออาตมานึกว่าอยากฟังแต่โยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็อยากฟังเหมือนกันรึอท่านถามยิ้มยิ้มผู้ชายก็มีหัวใจนะครับหลวงพ่อ อุบาสศพคนหนึ่งหนุ่มที่สุดเอ่ยตกลงตกลงงั้นอาตมาอนุญาตให้ฟังทั้งโยมผู้หญิงโยมผู้ชายเลยไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาละตั้งใจฟังนะเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในโพรมชจารสูตรศีลขันธวั์ทิฆนิกายพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าถ้าผู้อื่นติเตียนหรือว่าร้ายเราก็ไม่ควรอาฆาตมาดร้าย หรือว่าเสียอกเสียใจเพราะการกระทาเช่นนั้นมีแต่ผลเสียควรพิจารณาดูว่าที่เขาว่านั้นนจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงก็ชี้แจงเขาว่าที่กล่าวนั้นไม่จริงแต่ท่านสมภารไม่เห็นชี้แจงให้พวกเขาฟังเลยนี่จ๊ะนางโถแยงก็เขาเคยมาพูดหรือมาหาอัตมาไม่ล่ะ เขาให้โอกาสอาตมาได้ชี้แจงไหมละ่ะได้แต่เล่าลือกันต่อๆไปจ่างเขาเถอะโยมถ้าทาอย่างนั้นแล้วเขามีความสุขก็เรื่องของเขาอาตมาไม่เดือดร้อนใจอะไรเพราะได้ตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะชดใช้กรรมให้หมดในชาตินี้จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกโลกมนุษย์เนี่ยไม่น่าอยู่เลยนะโยมนะ มีแต่อิจฉาริษยานินทาว่าร้ายพระนุมพูดปลงๆจริงจ้ะอิฉันก็ไม่อยากจะเกิดในโลกมนุษย์อีกนางโถเห็นด้วยกับสมพานเออโยมโถก็ไม่อยากเกิดในมนุษย์โลกหรือแล้วอยากเกิดในโลกไหนล่ะโลกไหนก็ได้ที่มีท่านสมพานอิชัน ขอติดตามเป็นลูกศิษย์กรรมฐานทุกพพทุกชาติจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานโอ้โหขนาดนั้นเชียวรึขอให้สมหวังดังที่ตั้งปณิธานนะโยมนะท่านอวยใจให้พรสาธุนางโถรีบยกมือขึ้นสาธุหลวงพ่อครับแล้วถ้ามีคนเขาสรรเสริญเราจะทำอย่างไรครับ หนุ่มน้อยที่สุดถามอีกจเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงจึงตอบว่าพระพุทธองค์ท่านสอนว่าถ้าคนอื่นเข้าสารเสริญก็ไม่ควรเบิกบานใจหรือว่ากระยิมยิ้มย่องในคำชมนั้นถ้าจริงตามที่เขาชมก็รับรู้ในใจว่ามันจริงเท่านั้นก็พอหากเราปฏิบัติได้ตามเนี้ยเราก็จะไม่หวั่นไหว ไม่ว่าใครก็จะสระเสริญหรือว่าติเตียนจริงไหมนางแต้มรีบสนับสนุนว่าจริงจ้ะแต่เวลาทามันยากนะจ๊ะท่านสมพานการฝึกจิตเนี่ยมันยากมากเวลาพูดเหมือนง่ายแต่เวลาทํายากอย่าบอกใครนางย้าที่ยากเพราะไม่เคยตั้งหากละ่ะที่เขาเรียกว่า ยากแท้แต่ไม่เคยถ้าฝึกจนเคยเสีแล้วมันก็ไม่ยากหรือว่าโยมว่าไม่จริงจริงจ่ะแต่อีชันก็เห็นว่าการเจริญกรรมฐานอย่างที่ท่านสมภารสอนเป็นวิธีฝึกจิตที่ดีที่สุดจะสตรีไวใกล้เคียงกับนางโถตอบอย่างนั้นหรือโยมผู้ชายเห็นด้วยไหม ถ้าเลี่ยงไปถามโยมผู้ชายแทนการถามโยมโถไม่เช่นนั้นจะถูกพวกเขาหาว่าลำเอียงอีกเมื่อถูกถามอุบาสกที่กระเซาพระเจริญจึงตอบว่าเห็นด้วยครับแต่ผมสังเกตว่าพวกโยมผู้หญิงโดยเฉพาะแม่โถ ก, กับแม่แต้มเข้าปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าพวกผู้ชายเจว่าท่านสมพันธ์ลำเอียงก็คงไม่ใช่เพราะว่า เวลาสอนผมก็เห็นท่านสอนเท่าๆกันอาจเป็นไปได้ว่าโยมผู้หญิงเขามีความเพียรมากกว่าหรือท่านสมพาน์ว่าอย่างไรครับอัตมาคงไม่ว่าอะไรหรอกแต่อัตมาก็สังเกตนะว่าโยมผู้หญิงเขาปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าโยมผู้ชายแล้วก็มาวัดกันมากกว่าด้วยอย่างที่นั่งอยู่ที่โน่นโยมผู้หญิงมีมากกว่าผู้ชายถึงสองเท่า ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะท่านถามโยมผู้ชายเพราะพวกผู้ชายส่วนใหญ่เขาชอบไปเข้าสังคมนะครับหลวงพ่อไปกินเหล้ากันบ้างเล่นไพ่กันบ้างไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยบ้างเลยไม่มีเวลามาเข้าวัดพวกที่มาเข้าวัดเป็นพวกที่ไม่ชอบเข้าสังคมอย่างผมเนี่ย เห็นว่าการกินเหล้าเล่นการพนันเป็นเรื่องไร้าสาระและเป็นการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนความประมาทคนเราเกิดมาต้องสร้างความดีให้กับตัวเองด้วยการมาเจริญกรรมฐานสาระของชีวิตอยู่ตรงนี้หลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับอุบาสกอายุน้อยที่สุดเป็นคนตอบแล้วถามกลับเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนต์เลยแหม โยมตอบได้เยี่ยมจริงๆอาตมาขอชมเชยเอาละเพลิแล้วขอเชิญไปรับประทานอาหารกันก่อนจะได้มีแรงปฏิบัติต่อในช่วงบ่ายทั้งอุบาสกอุบาสิกาต่างพากันกราบสมพานและจึงลุกออกไปจัดเตรียมอาหารที่ต่างคนต่างนํามาจากบ้านจากนั้นก็ตั้งวงรับประทานกันบนศาลาการประเรียนนั่นเอง พรนษา น, านี้วัดป่ามะม่วงมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา17รูปสมเณรอายุ15ปีอีกหนึ่งรูปพระเจริญจึงมีลูกศิษย์คอยรับใช้ใกล้ชิดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนอกจากเด็กชายสำริดลูกพระตุผู้ซึ่งติดตามเด็กชายฟ้าแฝดจนไม่เป็นธรรมอะไรก่อนไปโรงเรียนก็ไปหากลับจากโรงเรียนก็ไปคลุกอยู่ที่สานักชีจนมืด สมภารจะเรียกใช้ไหววานแต่ละทีก็ต้องเดินไปตามที่สำนักชีหนักเข้าท่านก็เลยเลิกใช้ครั้นเนนตุ้ยเข้ามาอยู่ในวัดจึงได้ทำหน้าที่แทนเด็กชายสมัมฤทธิ์ให้สมภารเบาใจนั่นจะไปไหนพระเจริญถามเด็กซึ่งบัดนี้อายุ11อขวบแล้วไปหาไอ้แดงกับไอ้ขาวครับ เขาหมายถึงเด็กชายฝาแฝดซึ่งแม่ชีเจียนเป็นคนตั้งชื่อให้ตามผิวของเด็กน้อยคนตัวออกสีแดงจึงได้ชื่อว่าแดงคนตัวขาวได้ชื่อว่าขาวไม่มีการบ้านหรือไงมีครับผมทำเสร็จแล้วเด็กชายตอบข้าไม่เห็นเองทำเลยมาถึงก็ออกไปแล้ว ผมทำที่โรงเรียนครับรหลวงนาจะเห็นได้อย่างไรล่ะเอาล่ะเอาล่ะจะไปไหนก็ไปไปอย่ามัวมาพูดมากปากมอมอยู่เลยขอบคุณครับอ๋อหลวงนาอย่าตำหนิผมเลยนะครับผมเหงาอยากมีเพื่อนเล่นกับไอ้แดงไอ้ขาวทำให้ผมหายเหงาแล้วก็หายคิดถึงหลวงพ่อเขาสารภาพก่อนที่จะออกจากกุฏิ ไม่ลืมแวะห้องเนนตุย้ยซึ่งอยู่ชั้นล่างติดกับห้องเขาหลวงพี่ช่วยดูแลหลวงนาแทนผมด้วยนะครับเออเอ็งไม่ต้องมาบอกข้าทุกวันก็ได้รำคาญอยากไปไหนก็ไปไปเนนตุ้ยว่าเพราะกำลังเดินจงกรมอยู่เวลาทุ่มเสษเด็กชายสำริ์ยังไม่กลับจากสำนักชี สมณเณรตุย้ยนั่งกรรมฐานเสร็จกำลังแผ่เมตตาให้สัพสัตก็ได้ยินเสียงคนมาเรียกอยู่หน้ากุฏิแผ่เมตตาเสร็จก็เดินออกมาดูก็พบบุรุษอายุราวห้าสิบกับชายหนุ่มสองคนเข้ามานั่งในกุฏิแล้วเนนท่านสมภารอยู่หรือเปล่าบุรุษนั้นถามอยู่ข้างบน โยมมีธุระอะไรด่วนหรือเปล่าด่วนน่าสีถึงได้มาเวลานี้ไม่น่าถามเขารู้สึกไม่พอใจเนนตุย้ยงั้นก็ช่วยบอกธุระของโยมด้วยอาตมาจะได้ขึ้นไปเรียนท่านเอาไว้ท่านลงมาแล้วผมจะเรียนท่านเองเนนไปตามท่านลงมาพบผมก็แล้วกันบอกว่าในมั่นเขามาขอพบมีธุระด่วนเขาบัญชา คงไม่ได้หรอกโยมเพราะถ้าอาตมาไปเรียนท่านท่านก็ต้องให้ลงมาถามอยู่ดีเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาโยมบอกธุระมาเลยดีกว่าสมเเดนบอกอย่างคนรู้กติกาของวัดนี้แม้เรื่องมากจริงๆงั้นบอกก็ได้คือว่าไอ้มังลูกชายพมมันถูกผีอยู่ที่ต้นกลาง หลังวัดหลอกเอาผมอยากขอให้ท่านสมพานไปช่วยจับผีมา่วงน้ำด้วยมันหลอกคนไข้หัวโขนตายไปสามคนแล้วในมั่นเล่าเขาเกรงว่าลูกชายจะต้องตายเป็นคนที่สี่จึงต้องมาขอร้องให้สมพานไปจับผี่วงน้ำเสียจะได้ไม่ต้องมีคนตายเพราะถูกมันหลอกอีกเน้นตุ้ยขึ้นไปรายงานสมพานตามที่ในมัน เนนตุยขึ้นไปรายงานสมภารตามที่ในม่านเล่าให้ฟังครั้นเนนเล่าจบท่านเจ้าของกุฏิจึงพูดขึ้นว่าลงไปบอกให้เขารอสักประเดี๋ยวและวฉันจะตามลงไปอ๋อเธอเตรียมไปจับผีกับฉันด้วยจับผีเนนตุ้ยรู้สึกกลัวจนขนลุกใช่ไม่ต้องกลัวไปกับฉันรับรองว่าปลอด พระเจริญบอกลูกวัดเมื่อเห็นฝ่ายนั้นมีท่าทางคลาดกลัวหลวงพ่อชวนเจ้าสมริดไปไม่ดีหรอกครับผมไม่ค่อยถนัดเรื่องจับผีสมเณรวัยสิบห้าพยายามบ่ายเบียงเจ้าหมอนั่นมันตาขาวยังกับอะไรดีเธอนั่นแหละเหมาะสมแล้วเตรียมไฟฉายไปด้วยท่านสัง่ง แล้วมีดหมอล่ะหลวงพ่อมีมีดหมอหรือเปล่าครับถามเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยฉันไม่ต้องใช้มีดหมอเธอฉันมีคาถาจับผีก็แล้วกันเธอย่ามาทำตาขาวแบบเจ้าสำริตอีกคนเลยลูกผู้ชายไม่ตายเพราะถูกผีหลอกหรอกหนาเชื่อฉันเธอสมภารพูดปลอบขวัญลูกวัด แต่โยมมั่นเขาบอกว่ามีคนถูกผีหลอกเป็นไข้หัวโขนตายไปแล้วสามคนลูกชายแกกำลังจะเป็นคนที่สี่เอาเถอะฉันรับรองว่าลูกชายโยมมั่นไม่ตายแล้วก็ไม่ต้องเป็นไข้หัวโขนด้วยเชื่อฉันเถอะฉันขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยจะเอาวาดวัดป่มามะม่วงรับรองแข่งขันว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยง เนนตุย้ยจึงลงมาบอกในมัน่นและพักพวกที่รออยู่ข้างล่างหลวงพ่อท่านบอกให้รอสักครู่ประเดี๋ยวท่านจะลงมาทำไมท่านไม่ลงมาเลยละ่ะเนนไม่ได้บอกหรือว่าเรื่องด่วนเกิดไอ้มั่งตายไปจะว่ายังไงในมั่นพูดอย่างกังวลไม่ต้องกลัวหรอกโยมอาตมาเรียนท่านอย่างละเอียดแล้ว ขอรับรองโยมมั่งไม่ตายแล้วก็ไม่เป็นไข้หัวโขนด้วยขอให้โยมเชื่อท่านเถอะท่านไม่เคยพูดอะไรที่ไม่จริงแม้สักครั้งตกลงเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้ผมค่อยเบาใจจริงอย่างเนนว่าท่านสมภารพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นตั้งแต่รู้จักท่านมายังไม่เคยเห็นท่านพูดไม่จริงสักครั้งเลย ในมั่นพูดอย่างโล่งอกและมีกำลังใจที่จะปักหลักกรอต่อไป